หลอดไฟยึดหลอดหนึงไว้ข้างนอกโน้นมาให้มใหมแมลงมันมาใกล้ที่จริงมันไม่ได้ตั้งใจมาลบกวนใครหรอกมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันเราก็อยู่ตามธรรมชาติของเราแต่อํานาจของกรรมอํานาจของกรรมเนี่ยมันทําให้ต้องมาพบกันแบบเนี้มแมลงมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมัน เราก็อยู่ตามธรรมชาติของเราแต่ผลแห่งกรรมที่มันเคยเกี่ยวข้องกันมาในลักษณะที่มันมีโทษต่อกันมันก็จะมีทุกเกิดขึ้นมีความไม่สบายเกิดขึ้นนีละตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็จะต้องมีกรรมตลอดไปนอกจาก ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อไหร่เรื่องราวจบทั้งหมดเลยมันจะจบก็ตอ่อเมื่อจิตของเราเนี่ยมันจบมันจบในจิตของเรานะถ้าไม่จบในจิตเนี่ยมันไม่จบเพราะนั้นใครจะคิดเรื่องของโลกคิดไปเลยนะเรื่องของโลกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เราบอกตราบใดที่ยังอยู่ในโลก ตาบนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเรื่องล่าต่างๆก็เลยหยุดชิดเลยก็ยอมรับสภาพเลยว่าถ้าว่าเรายังมีชีวิตอยู่โลกก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันก็เป็นโลกต่อไปทำไมจึงบอกว่าเป็นโลกเป็นโลกก็คือโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งมันมาจากกระแสจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมา รวมทั้งสิ่งทั้งหลายธรรมชาติมันปรุงแต่งขึ้นมาโลกแห่งการปรุงแต่งก็ต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดปรุงแต่งไปเราทำไปเสร็จแล้วก็มีเรื่องกระทบเข้ามาสู่ใจเราใจเราก็จะต้องมีความนึกคิดปรุงแต่งออกไป บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการอยากได้พอใจขึ้นมาก็จะสแสวงหาอันไหนที่ไม่ชอบใจไม่พอใจข้อผักใสต่อต้านไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นกระแสขึ้นในจิตเรานะนี่ถ้าสติทันนะเห็นหมดเลยนะกระแสพวกนี้นะถ้าเห็นตรงนี้ปั๊บสติทันปั๊บเนี่ยเรื่องราวจบแค่นี้เอง ไม่ได้มีอะไรมากนะตรงที่สติมันไปทันจิตของตัวเองเท่านั้นเองนะถ้าไปทันปับน๊บในเรื่องราวมันจะจบอยู่ตรงจิตของตัวเองเนี่ยถ้าไม่ทันนะพออยากปั๊บเนี่ยสแสวงหานี่พูดพูดกว้างๆเลยนะสแสวงหาปั๊บได้มาได้มาก็จะรักขึ้นมาแล้วพอใจขึ้นมาแล้วเนี่ยแลวก็จะรู้สึกหวงแหน แล้วจะตนีนี่ตนีก็คือว่าไม่อยากให้ใครมาเอาไปไม่อยากให้ใครมาใช้ร่วมกับเราถ้าเป็นของใช้นะไม่อยากให้ใครมาแบ่งปันไม่อยากให้ใครมามีส่วนร่วมจนแม้กระทั่งไม่อยากให้ใครมองเลยนะขนาดนั้นได้เลยนะไอไอความตนนีเนี่ยภายในจิตเนี่ยก็คือความยึดถือนั่นแหละความยึดมั่นถือมั่น เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็หวงแหนแต่หนีขึ้นมาแล้วก็จะมีการป้องกันอันนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงพูดถึงเรื่องราวของชาวโลกมันเป็นกระแสของการเกิดปัญหาขึ้นในโลกนี่พระเจ้าก็พูดเอาไว้ด้วยนะที่พูดนี่พูดตามพระพุทธเจ้าเลยอ่ะกระทบอารมณ์มีความรู้สึก สบายพอใจถ้าไม่สบายก็ไม่พอใจอยากได้พอใจก็อยากได้อยากได้ทีนี้ก็สแสวงหาสแสวงหามาก็เป็นลาบขึ้นมาแล้วพอได้ลาบขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มีความรักใคร่พอใจที่จริงพระพุทธเจ้าพูดละเอียดกว่านี้แต่ว่าอันนั้นมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า พูดไปเนี่ยมันก็เกินความจำเป็นเราพูดให้มันมันพอที่เราจะรับฟังกันได้ว่าเออได้มาแล้วก็พอใจรักไข่รักไข่เสร็จแล้วก็มีการยึดมั่นถือมั่นยึดติดขึ้นมาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาแล้วก็หวงแหนตณีตณีแล้วก็จะมีการป้องกันเรื่องซึ่งเกิดจากการป้องกันท่านบอกมีการถือไม้ นะหมายว่าต้องทุบตีกันด้วยท่อนไม้ใดด้วยถือมีดนี่เป็นสำนวนนะเป็นสำนวนในพัตไตรปิฎกเฉยๆนะมีการถือไม้ถือมีดมีการแข่งแย่งมีการทะเลาะวิวาทเนะนี่ยนี่ในที่มาของปัญหาในโลกนะมีการพูดมึงนะมึงเนี่ยอาจจะมึงมึงกูกูทะเลาะบ่อแวง่งนะแต่ท่านไม่ได้อธิบายมากกว่านั้น มีการใช้คำพูดว่ามึงมึงก็คือหยาบๆยาบละดูดาว่ากาวกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการพูดส่อเสียดพูดโกหกแล้วก็จบลงด้วยปัญหาเนี่ยความทุกข์นี่นี่อันนี้คือเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในโลกได้ด้วยก็คือมาจากจิตของแต่ละคน นี่ที่พระเจ้าพูดนี่ก็คือพูดว่ามันมาจากจิตของแต่ละคนไม่ทนันไม่มีสติไม่รู้ทันจิตของตัวเองรวมทั้งความทุกข์ที่มันก่อเกิดขึ้นในจิตของแต่ละคนด้วยนอกจากมันไปกระทบการเกิดปัญหาในสังคมปัญหาในจิตของแต่ละคนด้วยกระทบอารมณ์ปับ๊บถ้าหากว่ามีสติรู้ทันเนี่ยสักแต่ว่ากระทบนี้จบเลยนะ แต่ทีนี้ถ้าไม่ทันตรงนี้ปั๊บสบายไม่สบายเนี่ยคือเวทนาเกิดขึ้นแล้วกระทบอารมณ์ทางตาเห็นเห็นคนหนึ่งเดินมาเดินมาแล้วก็มองไปเนี่ยตาก็ไปกระทบกับรูป ก, กับคนที่มานั้นมันก็เข้าไปสู่จิตเนี่ยจิตนั้นอ่ะตัวที่จิตที่มารับรู้นั่นเขาเรียกว่าจักรวิญญาณ นี่ลมันไปรับรู้ในนั้นมันจะมีสัญญามีสังขารอยู่ด้วยมันก็จำได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายท้าทางแบบนี้มันก็จะปรุงแต่งไปว่าเอ๊ะปลอดภัยไม่ปลอดภยัยเนี่ยจิตมันก็จะมันก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เออดูเอเอสวยไม่สวย หลอไม่รลอลอกระทบปั๊บเข้าไปในจิตแล้วแต่นี่มันเร็วนะั้นนี่ที่พูดนี่มันช้ามากๆเลยนะที่มันก่อเกิดขึ้นในจิตเนี่ยถ้ากระทบปั๊บเนี่ยโโหมันความรู้สึกมันวูบเข้าไปในจิตแล้วบางทีมันเข้าไปถึงร่างกายได้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะช้าๆอันนี้หมายว่าเราพูดเพื่ออธิบายเฉยๆว่าเวลาตาเรากระทบปั๊บ กระทบลูกกระทบอารมณ์สวาตาไปเห็นคนคนหนึ่งหรือเห็นใครทำอะไรอย่างเนี้ยมันมีทั้งชอบใจและก็ไม่ชอบใจเกิดขึ้นคือที่จริงมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาก่อนเป็นเวทนาขึ้นในจิตเนี่ยทีนี้ถ้าหาว่าสติเราไม่ทันตรงนี้นะมันก็จะปรุงแต่งโอ้มันรวดเร็วมากเลยนะปรุงแต่ง เขารมีความอยากขึ้นมาแล้วเป็นตัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยในจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นทําเนี่ยนี่เนี่ยเหตุที่มันจะก่อเกิดทุกข์อ่ะเป็นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเร็วมากถ้าสติของเราไม่ฝึกให้ดีๆไม่รู้เท่าทันเวลามันกระทบอารมณ์เนี่ยมันจะสร้างปัญหาได้ทันทีเลยถ้ามีความรู้สึกทันเนี่ยมันก็จะดับไปไม่มีเรื่องนี่แหละที่มัน ที่ผู้เจ้ายืนยันว่ามั น, ม, นมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายในจิตของคนเราเนี่ยแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยรู้ไม่เท่าทันจิตใจของเราเองต่างหากเรื่องราวก็เลยยืดยาวบานปลายไปเนี่ยพอมีตัณหามีเวทนาอยากละพอใจละไข้ล ะ, ยละอยากได้ละตัณหาเนี่ยถ้าหากว่ามัน มันมีความอยากอยากบ่อยๆ อ, อยากบ่อยๆนี้เขาเรียกว่าอุปาทานล่ะมันอยากบ่อยๆแล้วก็จะพูดถึงมันบ่อยๆคิดถึงมันบ่อยๆเนี่ยประเภทเนี้ยเป็นประเภทอุปาทานทางนั้นเลยมันมาจากอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นทําให้ลักไก่หลงไหลไปกับมันแล้วมันก็มาดําลงอยู่ในจิตเข้ามาอยู่ในจิตเรื่องนั้นเข้ามาอยู่ในจิต เป็นพบขึ้นมาแล้วนะที่ยิงเรื่องของจิตเราทั้งหมดเลยนะธรรมะทั้งหลายเนี่ยทีนี้วิธีแก้เนี่ยผู้เจ้าให้แก้โดยการมีสติให้รู้ทันขบวนการในจิตของตัวเองถ้าไม่ทันเนี่ยมันจะสร้างเรื่องต่อไปอีกมีพบแล้วก็เข้ามาอยู่ในจิตแล้วเนี้ยจิตมันก็เรื่องนั้นก็ขยายตัวปรุงแต่ง เหมือนกับต้นไม้ที่มันงอกงามขึ้นนะเหมือนต้นข้าวท่านวะต้นข้าวไปเอาต้นข้าวมาเกาเป็นเหมือนอุปทานน่ะปักลงไปในนาเนี่ยเป็นเหมือนพบมันจเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เรียวว่าชาติเดี๋ยวเพราะนั้นชาติเนี่ยก็คือการเติดในจิตของเราเองทีนี้มันจะมีน้ําหนักในจิตแล้วนะที่นิชาติเนี่ย นี่แหละที่วชลามระโศกะปริเทวะทุกขาโทมนาาัสาุปายาสมีน้ำหนักในจิตเป็นทุกข์เ น, นี่ยความทุกข์เกิดได้ที่นี่ทีนี้ถ้าหาว่าจะดับทุกข์เนี่ยจะดับทุกข์นี่พู้เยาวสอนหลายแบบแธ่ ถ, ถ้าเริ่มต้นก็จเจริญสติเพื่อให้สตินี้ไปรู้เท่าทันการทำงานของจิต ไม่ให้มีตัวตนก่อเกิดขึ้นมาได้ให้ทันแล้วมันให้มันดับให้มันสักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแนนอนเด็ดขาดความเห็นผิดตรงนี้ที่มันหลงว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ย มันจะถูกประหารไปได้ด้วยนี่นวิธีของพระพุทธเจ้านะสรุปก็คือให้มีสติมีสติเนี่ยเป้าหมายก็ให้รู้ทาวทันการทำงานของจิตเราจนเห็นว่าไอ้ไอ้ขบวนการทำงานภายในจิต่สิงๆเป็นแค่กระแสของความเกิดดับแค่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นเราเลยอยู่ในนั้น ไอ้ความหลงผิดของเราต่างหากที่ไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ถ้าไปทันไปเห็นเนี่ยเขาเรียกว่านี่แหละอริยมรรคมีองค์แปดที่ทางสายกลางของมุตเจ้าถ้าเขาไปเห็นไปรู้ทันชัดเจนแล้วมันก็จะละความเห็นผิดละสักกายทิฏฐิได้ ก็คือละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราอะแล้วมันจะประหารกิเลสได้ครั้งที่หนึ่งนี่เห็นครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเลยว่าทุกที่เคยมีเท่าภูเขาเนี่ยบางทีท่านก็บอกว่าเหลือเท่าขี้เล็กบางบางแห่งก็บอกว่าเท่ามิตรต ก, กาศบางแห่งก็บอกว่าเท่าก้อนหินเจ็ดก้อน คือเรืยอมันน้อยอ่ะเหลือน้อยเปรียบเทียบก็แล้วกันในในขณะที่เราไม่ได้ปฏิบัติจนรู้ความจริงแบบนี้ทุกเต็มที่เลยอุปมาว่าเท่ากับภูเขาแต่ถ้าได้เห็นว่าเออกายกับใจเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าเนี่ยมันแค่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยละความเห็นผิดหลงผิดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ ทุกที่เคยเท่ากับภูเขานี่เท่าขี้เล็บเลยแล้วก็ถ้าปฏิบัติไปอีกอาหารจีเรียได้ครั้งที่สองที่สามที่ี่เนี่ยหมดทุกเลยหมดปัญหาหมดเรื่องราวถ้าไปถึงตรงที่มันมันจบเนี่ยนะมันถึงจะเข้าใจนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมันจบที่นี่จริงๆเลยนะ มันมองเห็นว่าโอ้ยดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะว่ามันมามาไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี้เองเพราะความหลงผิดเกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมีตัวมีตนขึ้นมาแต่ะละตัวตนได้เมื่อไรเรื่องก็จบทันทีเลยนะไม่ได้มีอะไรเลย มันก็สงสารสงสารคนที่กําลังมีทุกข์มีปัญหาแต่ถึงจะมีทุกข์แล้วพระเจ้าก็สอนสอนวิธีดับทุกข์ได้ด้วยนะพระพุทธเจ้านะ่สุดยอดจริงๆนะทุกข์ให้กําหนดรู้เนีะทุกข์ก็ไม่กลัวด้วยนะแต่มันมีทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าทุกทางกายทุกทางใจเข้าไปกําหนดรู้คือเข้าไปดูเอาจิตเข้าไปดู ดูแล้วถ้าจิตมีกำลังนะสติปัญญามีกำลังขึ้นมาเนี่ยทุกดับที่มันดับก็คือจิตนี่แหละมันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นพอทุกดับปั๊บมันจะมารู้เลยว่าอ๋อเป็นเพราะจิตเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเพราะจิตของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะจิตเนี่ยหลงว่ามิดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันจะเหตุนี้เหตุแห่งทุกข์ด้วย เห็นความดับไปของทุกเห็นเหตุเตแห่งทุกแล้วก็ทางที่จะดับทุกก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้เวลาปฏิบัติอะถ้าจะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเพื่อนําไปสู่การดับทุก์เนี่ยมันเดินยังไงอันนี้ทุกคนก็พอได้ยินได้ฟังมาแล้วพอรู้แล้วแต่เราก็จะเอามาพูดพอเพราะว่า ทบทวนว่าเออต้องมาเจริญสตินี่แหลนะนต้องมีสติคือเรารู้เป้าหมายแล้วเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราหรอกมันเป็นแค่กระแสของเหตุของปัจจัยเฉยๆไม่ว่ารูปหรือนามไม่ว่ากายหรือจิตมันสืบทอดกันไปเรื่อย เคยอ่านหนังสือหมอคนหนึ่งนะจำไม่ได้ว่าหมออะไรสมัยนั้นปฏิบัติอยู่นะเขาเขียนบรรยายเรื่องเกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยการทำงานส่วนใหญ่ๆลงไปจนย่อยลงไปย่อยลงไปเขาอธิบายไปจนถึงส่วนเล็กๆเป็นพรลมนูเป็นนิวเคลียสเป็นอะตอม เป็นโพตอนเป็นนิวตอนไปเลยสุดท้ายก็ไม่มีเนี่ยอันนี้ฝ่ายรูปนะแล้วเราเคยอ่านหนังสือเตาฟิสิกส์ไอเป็นตำราฟิสิกส์เขาเรียกว่าของเตาเรืออะไรเนี่ยเขาใช้หลักหลักของเตามาอธิบายสุดท้ายรูปนี้ก็ไม่มีตัวตนเกิดดับเหมือนกันในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมีแต่ความเกิดดับเท่านั้นเองไม่ได้มีตัวตนอยู่ในนั้นเลยนะ มันเป็นการสืบต่อไปตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆนะอันนี้เป็นข บ, บวนการฝ่ายรูปแต่เขาไม่สามารถอธิบายข บ, บวนการฝ่ายนามได้แต่พอมาศึกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้การทํางานฝ่ายนามฝ่ายจิตเนี่ยมันละเอียดมากแต่ว่าไม่เกินความสามารถนะแต่ต้องใช้สติหลักของพระเจ้าก็คือมีสติจเจริญสติ นี้บางคนเนี่ยบางคนก็มีนิสัยสมถะนำหน้าวิปัสนาคือต้องทําสมาธิซะก่อนบริกรรมไปหรือว่าดูลมไปหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์เดียวจิตอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วก็ตามดูอารมณ์ลงไป จนจิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานๆมีอารมณ์เดียวนานหนึ่งนาทีก็ เ, เป็นสมาธิหนึ่งนาทีมีอารมณ์เดียวนานห้านาทีแสดงมีสมาธิห้านาทีมีอารมณ์เดียวสิบนาทีก็แสดงมีสมาธิสิบนาทีอันนี้พูดถึงสมาธิ แล้วสมาธิภายในจิตเนี่ยมันก็มีความละเอียดมีความหยาบต่างกันด้วยช่วงแรกๆก็หยาบๆก่อนต่อมาก็จิตค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะนั้นบางทีท่านก็อธิบายเรื่องของสมาธิตามความละเอียดภายในจิตแต่เป็นสมาธิที่เกิดจากจิตตามดูอารมณ์เดียวอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนาน แต่ไม่รู้ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่รู้สึกว่าเป็นเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะไรเลยคือสงบยั่งเข้าไปจิตแน่วแน่อยู่ภายในบางทีก็มีปีติมีสุขมีความลาบเลียบอยู่ในจิตเนี่ยตามขั้นตอนภายในจิตอันนี้เรียกว่าสมถาากรรมฐาน ยังไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์เฉยๆจนสติมีกำลังขึ้นมาหรือพยายามที่จะสังเกตการทำงานของขันห้าบางคนก็มีจลิตนะพอจิตปลงไปพักมีกำลังขึ้นมาแล้วทำงานเองเลยมาดูกายเวทนาจิตธรรมหรือมาดูลูกเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ดูกายมันก็ดูดูลมก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผมคนเล็บฟันหนังก็ส่วนหนึ่งของร่างกายดูกระดูกดูฟันก็แล้วแต่บางคงก็ดูกายเวทนาจิตธรรมในรูปของสติปัฏฐานสี่ไม่ได้เป็นกายคตาสติแต่เป็นแบบสติปัฏฐานสไปเลย เราดูลมดูลมแล้วสุดท้ายมันก็มาหาจิตเหมือนกันหมดสุดท้ายมันจะมามาที่เดียวกันคือมาเห็นความเปลี่ยนแปลงมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่จะแสดงความเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นขบวนการของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียว่าบพุทธมค า, าหรืออริยมรรคของพระพุทธเจ้าถ้าถูกทางแล้วมาที่เดียวกันหมดมันจะไม่สงสัย ใครปฏิบัติยังไงก็ตามเจริญสติมีสติมีัมปไปชัญญาขึ้นมาก็มาตามดูกายเวทนาจิตธรรมมาตามดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่แหละจากตามอารมณ์เฉยๆมันจะมาดูความเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย นี่มันจะมาพบกันตรงนี้ประเภทแรกเนี่ยปฏิบัติสมถะคือมีสมาธิไปตามดูอารมณ์ไปก่อนพอจิตมันมีสมาธิแล้วหนึ่งก็คือว่ามันมาพิจารณากายเวทนาจิตทำได้เองหรือมาพิจารณาขันธ์ห้าได้เองมาดูได้เองสองก็คือว่า ต้องตั้งใจด้วยสังเกตด้วยสังเกตหรือว่าอุบายไหนวิธีไหนที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการเพื่อให้จิตมันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา จะชัดลักษณะไหนก็ได้คือเห็นว่ามันเป็นแค่ธรรมชาติเวลาเราเราพูดเรื่องปฏิบัติเนี่ยต้องพูดเหมือนว่าเห็นเหมือนว่าเห็นด้วยตาอะไรอย่างนั้นอันนี้เห็นด้วยตาปัญญาคือความรู้สึกภายในจิตอ่ะมันชัดเหมือนกับเห็นเห็นในความรู้สึกเราอ่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความรู้รสึก ว่าไม่ใช่ของเราอะไรอย่างนั้นแล้วมันมีหลักฐานด้วยเหมือนมีพยานหลักฐานยืนยันด้วยเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอะแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอมันสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตถ้าปฏิบัติไปถึงมันจะเป็นมันจะเห็นขึ้นมาถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่เห็น ก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงนั้นมันก็ไม่เป็นถ้าใครถึงก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นต้องรู้แล้วก็เห็นเห็นแล้วมันจะปล่อยวางออกเองถ้ายังไม่เห็นก็คือว่าเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปซะก่อนเหมือนการเดินทางอะเราจะเดินทางไปกรุงเทพขับรถไปแต่มันยังไม่ถึงก็ต้องขับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึง ขอให้มันถูกทางซะก่อนทีนี้ประเภทที่สองเนี่ยวิปัสนานำหน้าสมถะประเภทนี้มักจะเป็นประเภทที่เจริญสติปัฏฐานสี่ไปเลยบางคนมาที่นี่เขาพุทโธไม่เอาเลยจิตอะ่ะแต่ถ้ามาตามดูกายเวทนาจิตทำเลยอะ่ะเขาทำได้สบายหรือมาดูว่ามันเป็นธาต เนี่ยก็คือมาดูว่าไอ้ไอ้ร่างกายจิตใจเราเป็นสัตวธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุหรือว่าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยบางคนเขาดูธาตุไปเลยนะบางคนก็เพ่งร่างกายให้เป็นดินไปเลยบางคนก็มาดูความเกิดแก่เจ็บตายพูดโทนี้ไม่เอาเลยบางคนแต่บางคนนี่มาถึงต้องพุดโธซะก่อนพูดโทพอจิตมันอยู่แล้วก็ มันก็จะดูเฉยเฉยได้บางคนดูเฉยเฉยก็ไม่ได้จิตมันชอบออกไปข้างนอกก็ต้องให้ไปดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือให้มันอยู่กับลมอยู่กับอันใดอันหนึ่งภายในตัวเราเนี้ยบางคนก็ดูกายอันไหนชัดก็ดูกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างเนี่ยเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่ ก็คือเจริญสตินั่นแหละให้จิตอยู่ภายในกายเราภายในจิตเราเนี่ยเพราะฉนันบางคนก็มีการอบรมจิตด้วยเพื่อให้จิตเนี่ยมันมันมันแนบแน่นกับอารมณ์เรียกว่าให้มันให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการนั้นคือถ้าทำแล้วมันอยู่มันพอดีก็ทำเลยมันจะมีความรู้สึกว่าเออดื่นดำมีความรู้สึกว่ามีความลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนี่คือมันถูกกระจริตเรา ใช้ปัญญาอบรมจิตไปด้วยแล้วจิตเนี่ยมันจะไม่ตามอารมณ์พวกเนี้ยมันจะดูความเปลี่ยนแปลงไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตคายวางออกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆละเอียดเข้าไปค่อยๆละเอียดเข้าไปแล้วมันจะไปที่เดียวกันคือความตั้งมั่นของใจจิตตั้งมั่น สมถะนำหน้าวิปัสสนาก็พอมันสงบแล้วก็เอามาดูขันห้าจนจิตตั้งมัน่นวิปัสสนานำหน้าสมถะก็คือก็ดูกายดูจิตเรานี่แหละแต่ว่าดูความเปลี่ยนแปลงของมันไม่ได้ตามอารมณ์ลงไปค่อยๆดูลงไปและละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนจิตตั้งมัน่นเนี่ยมันจะมาที่จิตตั้งมัน่นตั้งมั่นในที่นี้ก็คือว่า สตินี่รักษาจิตเอาไว้จิตเนี่ยมันไม่เล่นหลอดไปไหนก็ได้เลยก็คือจิตอยู่กับจิตเลยอะไรเกิดขึ้นก็รู้เพราะนั้นมันตนนี้มันจะถึงจะเกิดปัญญาญานได้อะไรเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันบางคนก็เห็นนานเห็นบ่อยเห็นนานบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจกนกระทั่ง วางเลยทิ้งเลยบางคนก็เร็วนะเหมือนอย่างอัญญากนทันยาเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าเทศไปเทศไปไม่ให้อยู่สายกลางนะไม่ให้จิตไปยินดีนะถ้าจิตไปยินดีนี่เรียกว่ากรมมสุขาริการุโยกอันนี้เราพูดในแง่ของจิตในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยแต่ถ้าว่าจิตไปยินดีเนี่ยมันเป็นการมมสุขาริการุโยคถ้าไปยินร้าย ก็คือว่ามันอยากให้ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยอยากจะบังคับมันให้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาแม้เป็นอัตตาเริมทานุโยกให้จิตเป็นกลางๆเนี่ยสิ่งกลางนี่เนี่ยวาริยามารมยองแปดแล้วจิตเนี่ยสุดท้ายมันจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นสภาวะทุกข์คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นสภาวะทุกข์บังคับบัญชามันไม่ได้ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันวางได้ก็เป็นนิโรธทุกข์ก็ดับเนี่ยไม่มีทุกข์แมืดับไปชั่วคราวก็เป็นมันก็สอดคล้องกับทุกข์กับทุกข์ที่ดับถาวรคือพันิพานฟังไปเนี่ยอัญญาคนทัญญาเห็นเลยเนี่ยรู้เลยว่าเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้รวดเร็ว เพาะบารมีของท่านสร้างมามันพอเพียงพอแล้วน่มีดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุปเป็นพระโสดาบันบุคคลได้บางคนเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกจนกระทั่งมันเต็มที่กําลังมรรคอริยมรรคมีกําลังพอประหารกิเลสได้ครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันบุคคลเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้มันก็บางคนเร็วบางคนชา้า นี่ก็เหตุปจัจจัยตังแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ที่มีน้อยมากที่สมถาวิปัสนาเนี่ยอยู่ด้วยกันก็คือว่าจิตอยู่ในผวังอยู่ในฌานแล้วก็สามารถพิจรารณาเห็นพระไตรลักษ์ไปได้เลยเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในองฌานนั้นบรรลุธรรมได้มีน้อยมากในสมัยพุทธเจ้าก็มีน้อยอย่างเช่นพระมคคันะพระสาีบุตรพวกนี้ เป็นประเภทนี้ทั้งนั้นสมถาวิปัสนาคู่กันเลยพารณาในสมาบัติแล้วก็ บ, บรรลุนิพพานไดา้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือสมถานำวิปัสสนาก็ตามวิปัสสนานำหน้าสมถาก็ตามหรือว่าปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นประเภทหลงผิดไปล้มลุกคุกขานแต่อาศัยความพยายามเต็มที่ พอจิตมันพลิกได้ก็บรรลุพันิพานได้เหมือนกันอันนี้เป็นทางที่สี่ทางที่จะบรรลุธรรมมันมันีอยู่แล้วก็มีอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนด้วยเพราะนั้นเราต้องเข้าใจทางที่จะปฏิบัติก็คือว่ามีการเจริญสติแล้วก็รอเวลาให้จิตตั้งมัน่นก่อนที่จิตจะตั้งมัน่นมันก็มีจิตเป็นสมาธิ เนี่ยในสมาธินั้นมันก็จะมีธรรมสมาธิเกิดความเบิกบานเกิดความปีติเกิดความสุขเนี่ยขึ้นอยู่กับวาจิตของเรามันละเอียดมากน้อยแค่ไหนไม่ใหม่อ่ะมันจะชอบมีพวกนี้มากพวกธรรมสมาธิเนี่ย ใจเบิกบานลื่นเลงบันเทิงพอใจปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกทางมันจะเป็นอย่างนี้เกิดความสงบเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขแล้วก็จนกระทั่งวางเฉยจิตลาบเรียบรอเวลาที่จิตมันมันขยับตัวมันขยับตัวแล้วก็มาดูขันหา้า บางคนก็ไม่ยอมให้มันเข้าไปเลยดูอาการความเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็คือตามดูกายเวทนาจิตธรรมหรือขันห้าแต่ค่อยค่อยละเอียดเข้าไปตามลําดับตามลําดับก็ได้เหมือนกันเพราะมันไปเพื่อให้สติสัมปชัญญะมีกําลังมีกําลังแล้วก็เห็นกายบ้างจิตบ้าง เวทนากายเวทนาจิตธรรมเห็นมันความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเรื่อยไปจนกว่ามันจะประารานกินลสได้ที่เวลาปฏิบัติเนี่ยครูเจ้าก็วางหลักเอาไว้ให้มาให้พอใจสร้างเหตุให้พอใจสร้างเหตุส่วนผลแล้วแต่สภาวธรรมสร้างฉันทะ เียวครเจ้าบอกว่าสร้างชันทะแล้ก็ระดมความเพียรมีความเพียรภายในจิตเพราะนั้นจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความอาถารต้องมีความตั้งใจมีความบากบัน่นมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนมีจิตใจเป็นนักสู้ด้วย เราภาวนาแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมอย่างนี้มันลอยๆนะใจมันไม่ค่อยอยู่กับตัวแต่ถา้าใจเราเนี่ยโอ้เนี่ยเรากำลังปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านันเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งมีจิตใจแข็งแกร่งเ็ดเดียวอาถานไม่ย่อท้ออุปสรรคจะมากมายขนาดไหนไม่หวัน่นไหวเลยนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น มีใจเด็ดเดี่ยวอาหารพแกวกละมีเป้าหมายชัดเจนมุ่งมั่นในทางแห่งความดับทุกข์เพื่อที่จะดับทุกข์ในพระทยัยดับทุกข์ได้แล้วก็จะเอาวิธีการนั้นนะมาสอนสาวกเนี่ยมาสอนชาวโลกเนี่ยนี่พระเจ้ามันมีเป้าหมายแน่นอนท่านไม่ยอดท้อแล้วก็มุ่งไป เวลาท่านสอนก็สอนให้มีฉันทะนพอใจปฏิบัติแล้วก็ปลุกระดมความเพียรด้วยเพียรให้มากเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพียรในที่นี้คือตั้งแล้วไม่ให้ล้มให้มันมีความริ่งจังอยู่ในจิตเนี่ยมุ่งมั่นอยู่ในจิตเนี่ยไม่อ่อนแอมีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยถ้าหาว่าเราลลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ย ใจมันจะมีกำลังเราเป็นสาวกของผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งจริงจังเด็ดเดี่ยวอดหานหรือศาสดาของเราเนี่ยไม่ใช่ผู้อ่อนแอใจเราก็อ่อนแอไม่ได้แต่ไม่ใช่มีความอยากท่านไม่ให้มีความอยากท่านมาแล้วแต่สภาวธรรม มันจะเจ็บจะปวดอดทนเนี่ยไกลๆอย่างนี้อดทนเพราะว่าดูสิว่าเรามีความอดทนแค่ไหนเนี่ย น, นี่คือดูความอดทนแล้วเนี่ยถ้าจิตเรามีกําลังมีความเข้มแข็งเนี่ยความเจ็บความปวดเนี่ยมันไมีผลตัอจิตเราจิตเราอยู่เหนือความเจ็บความปวดมีปล่อยวางได้แต่ถ้าหาว่าเออกำลังจิตเราไม่พอเรายังปฏิบัติน้อยอยู่ คนไม่ไหวมันฟุ้งซ่านมันเอาไม่อยู่เอาเปลี่ยนก็นได้เนี่ยก็ยอมรับยอมรับกับตัวเองซะก่อนว่าอ๋อนี่คือกําลังสติเรายังน้อยยังอ่อนไม่ใช่ว่าบุญบารมีเราไม่มีนะเหตุปัจจัยเรายังไม่เพียงพอเรายังปฏิบัติน้อยสติเรายังอ่อนถ้าคนไหนสติมีกําลังไม่ต้องพูดถึงอะแค่เวทนาเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเวทนาทางกายเหรอร่อางกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว เรามาปักลงที่จิตสอนจิตเราให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องร่างกายไม่ใช่จิตอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งแค่นี้จิตมันก็วางแล้วร่วางกายไม่ใช่จิตเนี่ยจิตจะไปยุ่งกับเขาทําไมนี่นี่คือมันเห็นจิตแล้วทําได้รู้มันเป็นขั้นขั้นอยู่นะมันมันมันทําได้ไปตามขั้นตอนของผู้ปฏิบัตินั่นแหละแต่หลักเนี่ยเดียวกันพอใจปฏิบัติ ดีไม่ดีก็เราได้ปฏิบัติแล้วให้พอใจได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีความอดทนมีความเพียรมีความพยายามไม่ถอ้อถอยไม่ย่อท้อบากบัน่นเด็ดเดียวอาถานไม่กลัวแม้กระทั่งความตายคนเจ็บปวดเล็กๆน้อยนี่ถ้าจิตมีกําลังนี่โอมันเฉยเลยนะ มันคนละส่วนกันเลยเห็นชัดเลยอ๋อเจ็บปวดเหรออยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ขาอยู่ที่เขา่าจิตต้องเป็นจิตสิจิตต้องอยู่ส่วนจิตสิไปยุ่งกับเขาทําไมนี่มันสอนจิตได้ด้วยเดี๋ยวจิตมันเห็นอยู่เนี่ยมันเห็นความจริงมันก็วางได้เนี่มันเชื่อธรรมขึ้นมามันก็เป็นธรรมขึ้นมาพคนควบแม้แต่ความเจ็บความปวดไม่กลัวเลยนะนี่ถ้าจิตมีกําลังมันเป็นอย่างนี้ อะไรมาก็ตามมันก็แบบเดียวกันนะอะไรวู่ว่าบเข้ามาเนี่ยมันจะลึกลับขนาดไหนก็เอามันอยู่ของมันจิตอย่าไปยุ่งอยู่กับจิตนี้ปากลงไปที่จิตนี้อย่างอื่นก็เกิดดับไปอย่างอื่นก็สักแต่ว่ามาก็มาเพื่อให้จิตเห็นว่ามันเกิดดับเพื่อจิตรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันกลายเป็นสิ่งถูกรู้ไปหมดแล้วจิตก็เป็นผู้รู้น่ะนี่ถ้ามันมีกำลังเนี่ยจิตมันจะเปลี่ยน ทีแรกก็เป็นสติไปก่อนนะสติเนี่ยจิตมันคิดไปดึงไปดึงมาอยู่เออมันจิตมันเร็วกว่าสติะสติเรายังอ่อนจิตกําลังไม่พอสติสัมปชัญญะเรากําลังไม่พอเนี่ยจิตมันก็จะคิดไปเอารู้ทันเอาตั้งมัยคิดไปรู้ทันตั้งมัยเนี่ยเดี๋ยวสติก็มีเดี๋ยวก็ขาดสติเดี๋ยวก็เพลอเพลินไปเดี๋ยวขาดสติอย่างนี้คือสติเรายังอ่อนแต่สําหรับคนที่สติมันมีกําลังแล้วเนี่ย มันก็เห็นเนี่ยเห็นจิตไปเลยแทนที่มันจะมาสนใจลมดูลมก็ดูจิตได้เวทนามามันก็ดูจิตได้ดูกายก็ดูจิตเนี่ยมันเข้าไปหาจิตได้แล้วเนี่ยมุมมองมั น, ม, น, ม, นมันในจิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกำลังสติสัมปชัญญะกำลังสติสัมปชัญญะกำลังปัญญาภายในจิตว่าจิตเรามันไปถึงไหนแล้วอ่ะ อย่างแ้าแรกๆคนปฏิวัติใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ดึงไปดึงมาอย่างที่ว่านั้นสติเอาจิตมาเร็วกว่ามันก็ผูกไปเอารู้ทันมันก็กลับมาต่อมามันก็ไปไปน้อยลงคือมันอยู่นานขึ้นพอสติเราดีแล้วเนี่ยสติมีกำลังเนี่ยเนี่ยต่อมาก็เห็นชัดว่าอ๋อมันมีมันมีอะไรเกิดขึ้นมันดูดูแล้วก็ประคองจิตไว้ระแวงระวังจิตไว้ เสร็จแล้วก็มีปีติมีสุขเนี่ยแล้วก็จิตเป็นหนึ่งต่อมาก็จิตละเอียดขึ้นมันก็ดูจิตอาการของจิตปีติสุขเอกคตาต่อมามันไม่เอาแล้วปีติมันมันมันยังหยาบอยู่ะมันก็เลื่อนเข้ามาดูแค่สุขในจิตเฉยๆความรู้สึกว่าเป็นสุขที่เกิดขึ้นในจิตแล้วกอ็อารมณ์เป็นหนึ่งต่อมาสุขมันก็ยังหยาบอยู่มันวางเฉยเลยไม่เอาสุขไม่เอาทุกเนี่ย มันก็เป็นอุเบกขาแต่ทีนี้มันมันแค่ตามดูอารมณ์เนี่ยออกมาแล้วก็ต้องเข้าใหม่ออกมาแล้วก็เข้าใหม่สมาธิมันไม่ได้อยู่ตลอดไปมันก็ยังมีทุกข์อยู่เวลากระทบอารมณ์อะไรเงนี้ยี่ปฏิบัติปฏิบัติไปจิตมันสติสัมปชัญญะมีกาลังทีนี้พอมันคลายออกจากสมาธิแล้วก็ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ทีนี้ก็อยู่ที่ความถนัดแล้วนะทีนี้มันจะไปหนักเรื่องอะไรบางคนก็ชอบใจดูร่างกายบอกว่าอาการ32อย่างวันนั้นคนที่เข้ามาเขาบอกเขาต้องดูทั้ง32อาการไม่งั้นจิตมันจะปรุงแต่งไปมันจะเผอไปกับบางคนนี่ดูอันเดียวบางคนไม่ชอบถ้าจะไปดูหลายๆอันแหมมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถูกจริก ดูฟันอย่างเดียวเลยรู้กระดูกอย่างเดียวใลยดูผมอย่างเดียวเลยเนี่ยบางคนก็ดูดูหมดแล้วก็ค่อยๆหดเข้ามาหดเข้ามาสุดท้ายก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรเนี่ยเพ่งเล็งอยู่ตรงนั้นมีคนหนึ่งแกบอกว่าแกเป็นโรคหัวใจมันไม่ดูอย่างอื่นแกผมไปจ้องดูแต่หัวใจอยู่อ่ ะ, อะจนมันมัน จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันดูฟันก็ตั้งมั่นขึ้นมาบางทีฟันมันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงด้วยกระดูกแสดงความเปลี่ยนแปลงด้วยบาก็ดูลมลมมันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราหมดมาที่เดียวกันหมดเลยแต่พอมันตัดสินเท่านั้นแหละความหลงผิดที่ว่ากายเวทนาจิตธรรม จิตเนี่ยเป็นเราเป็นของเราก็หมดไปหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเราเป็นของเราก็หมดไปอันไหนชัดก็ดูอันนั้นสุดท้ายมันไปถึงกันเองบา ก, ก็ดูเวทนาเวทนามันกล้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้นไม่เอาจิตไม่เอาอยู่กับจิตเนี่ยมันเกิดมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายดูไปดูไปดูไปสุดท้ายเนี่ยจิตมันตัดสินลงไปเลย มันละความเห็นผิดได้เวทนาไม่ใช่ของเราอันนี้โอ้หสภาวะที่เห็นนี่เหียมันจะไปบรรยายตรงนี้มันมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอาการที่มันละความเห็นผิดได้น่ะมันละได้เหมือนกันแต่ทีนี้ไอ้ที่มันแสดงอาการออกมาให้เห็นจนจิตเนี่ยมันกําลังมันพอแล้วมันตัดสินลงไปได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยอันนั้นมีความ รายละเอียดแตกต่างกันมีเลวรละสักกายะที่ทีได้ือ เ, เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแค่ความลลงผิดเฉยๆแต่ละได้หยับๆยบนะละความเห็นผิดบาตัวเราของเราแต่ว่ายังละพวกไอไอตัวตนที่เกิดจากพวกราคะไม่ได้ ตัวตนที่เกิดจากมานะละไม่ได้ตัวเติมที่เกิดจากความโลภเกิดจากไอ้พวกมานะจากการเปรียบเทียบนี่ไม่ได้อันนั้นมันต้องปฏิบัติไปอีา น, นิลักษ์แค่ความเห็นผิดหยาบๆยาบที่ที่ไปหลงว่าเออกายเป็นเราเป็นของเราเห็นชัดเจนวิทนาเป็นเราเป็นของเราเห็นชัดเจนในจิต เห็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นเราเป็นของเราเนี่ยละได้ในระดับที่ไม่สามารถไปทํากรรมยึดเป็นตัวเป็นตนจนไปทํากรรมแล้วตกอบายภูมิได้ถึงเคยเคยทํากรรมประเภทนี้มานะถ้าว่ามันละตัวตนได้มันก็ทิ้งไปได้นะไม่ยึดพอไม่ยึดแล้วกรรมพวกนี้ไม่ไม่มีผลนะไม่ทําให้ไปตกอบายภูมิได้เนีย่ยพระโสดาบันเนี่ย พระพุทธเจ้าสรรเสริญเหมือนกันนะว่าโอ้เนี่ยใครบรรลุปโสดาบันเนี่ยประเสริฐกว่าเป็นมหาจักรพรรดเลยอ่ะแต่ก็ทุกที่ว่านกะเท่าขี้เล็บเลยทุกเท่าภูเขาเหลือแค่ขี้เล็บโอ้โหมันต่างกันมากเลยนะกับคนที่ไม่บรรลุปโสดาวบันฑ์นะเนี่ยมันดีตรงที่ว่าทุกมันน้อยลงอ่ะเบาไปเลยคือไปเห็นว่ามันเกิดดาบคนอื่นยึดเห็นเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาร อันนี้โอ้แค่นี้เองแค่ใจเราไม่ไปยึดมนก็พอแล้วในระดับของท่านพระโสดาบันเนี่ยปล่อยวางได้แบบนี้นก็เลยเบาไปเรื่องเรื่องใหญ่ๆตโตๆโตโตก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไปนี่ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้แต่ว่ายังมีทุกข์ระดับของท่านเหมือนกันเพรากิเลสมันยังเยอะอยู่ที่ละได้แล้วก็แล้วไปที่ยังละไม่ได้อีกก็เยอะ ยิ่ท่านถึงว่าพระโสดาบันเนี่ยละวิจิกิจฉาได้ความวันไหวในพระพุทธธรรมอสงฆ์ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสร้อยเปเซนเลยไม่วันไหวเลยแล้วก็ศีลของท่านก็สมบูรณ์เป็นศีลของพระเลียเจ้าบางทีทางก็ใช้คําว่าเป็นที่พอใจของพระเรียเจ้าหมายว่าเป็นศีลที่ไม่เจือด้วยทัณหาเป็นศีลที่ ตัวตนมันไม่มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นศีลอยู่ในจิตจิตที่เป็นปกติอยู่ได้ไลยลงยินดียิน้ายอะไรได้มากกว่าคนปกติละเจตนาที่ไม่ดีได้ละศีละพตปลามาดได้เดีย๋ยลูกคำ ในศีลในข้อวัดปฏิบัติไม่มี่มีรู้เลยว่าทำเพื่อความพ้นทุกข์แล้วจะไปรักษาศีลและอยากให้คนชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญไปโอ้ไปววตไม่มีรักษาเพื่อเนี่ยมันเป็นทางแห่งความดับทุกข์หมือถึงว่าเกิดดีไม่เกินเจดชาติเนี่ยมันจริงนะเพราะจิตมันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกิด มันกเกิดตามกําลังของจิตที่มันยังลุ่มหลงอยู่นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องมาดูจิตของเราว่าตอนนี้จิตของเราอยู่ยังไงเนี่ยความสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะจิตของเราอยู่ยังไงีจริงๆว่าเอาปัจจุบันนะเรารู้ต้นต่อแล้วว่าการที่เราสติของเราเนี่ยมันอ่อนเนี่ยมันมันทําให้จิตเราเพลิเพลินไปเราก็ทําสติของเราให้ เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติมีกำลังขึ้นมาก็มันก็ขยายตัวมันรู้ตัวได้มากขึ้นกาเรียกสติสัมปชัญญะก็รู้ได้กว้างขึ้นรู้แล้วก็มีปัญญาด้วยคือมันรู้มันเข้าใจรู้ว่าเออเราสงบรู้ว่าจิตอยู่ยังไงรู้ว่าควรทำยังไงควรแก้ไขยังไงเนี่ยถ้าสติสัมปชัญญะมีกำลังมันแก้ไขตัวเองได้ด้วยจงกระทั่งมันนล่ล่ะอริยมรรคสมบูรณ อริยมรรยองแปดมันมีกําลังละทีนี้แทนที่มันจะปล่อยจิตออกไปเนี่ยมันไม่ปล่อยเลยนะสติเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยมันควบคุมจิตไว้เลยเต็มที่เลยจิตเนี่ยไม่ได้นอดไปไหนอะไรเกิดขึ้นก็จิตก็รู้จิตเป็นยังไงรู้ทีนี้อะไรปรากฏขึ้นก็ตามเกิดเป็นของเกิดดับหมดเลยนะมันจึงไม่กลัวอะไรนะทีนี้ นีและปฏิบัตินี่ไม่กลัวไม่กังวลเลยมันละนิวรณ์ได้เด็ดขาดเลยแม้แต่สิ่งลึกลับที่มันแฝงเข้ามาก็มีนะมันก็เห็นว่าเป็นธรรมดาเหมือนกันนะอ๋อยังมีชีวิตอยู่ในโลกในจักรวาลเนี่ยในธรรมชาติเนี้ยมันก็ต้องมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันรู้อย่างนี้ด้วยนะมันก็อยู่ของมันไปสิเกิดแล้วก็ดับไปสิจิตของเราไม่ไปใส่ใจมันน่ะจิตของเราอยู่กับจิตนี้มันก็เลยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไปนะ ไม่มีความสำคัญอะไรเลยอพราะ่าอยู่ของมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่ดับก็เรื่องของมันเพราะว่าจิตเราไม่ไปใส่ใจไม่ไปสนใจเราอยู่กับจิตมันก็ดับไปจากจิตเราเนี่ยมันก็เลยเหมือนเกิดดับอยู่ในจิตเราเนี่ยเหมือนจิตเราไม่ไม่ไปเอาเข้ามาเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เหมือนกันหมดอะไรเกิดขึ้นเอา้าก็มันเกิดตามธรรมชาติเกิดตามธรรมดาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน มันก็รักษาจิตได้จากข้างในเนี่ยมันก็ออกไปสู่ข้างนอกไอ้แค่มันเห็นในจิตนี่แหละแล้วมันขยายออกไปมันไปรู้ทั่วเลยเหมือนกับรู้ทั่วในธรรมชาติในจักรวาลมันในโลกธาตุเราเนี่ยรู้เอาธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองมีแค่รักษาจิตนี่แหละดูเห็นในจิตนี่แหละความเข้าใจมันขยายออกไปได้ได้หมดจริงจิว่าเรียกปัญญาญาณนะ เพราะนั้นต้องมาเห็นด้วยจิตนี่แหละเหมือนเพราะปัญญาของมุติเจ้าจงจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกถ้าปัญญาทางโลกเรียนรู้จากข้างนอกเรียนรู้ข้างนอกมันก็เลยดับทุกข์ไม่ได้แต่ของพุติเจ้าเรียนรู้จากข้างในเลยแล้วขยายออกไปสู่ข้างนอกเขาเห็นความเกิดดับจิตมันเห็นทางแล้วทีนี้มันไม่ถอยนะที่นี้แต่ละคนเนี่ยคนที่เขาเห็นแล้วอยากปฏิบัติ ถ้ามีเวลาก็ปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็คือก็ไม่เชียหายก็ทําความดีอะไรไปมีชีวิตอยู่ไปอย่างพ่อเรียเจ้าทั้งหลายเนี่ยพอตายไปแล้วก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติอยู่แล้วน่ะคนทุกแน่นอนเนี่ยท่านก็ไม่กังวลอะไรก็ทําความดีไปตามนิสัยตามเหตุตามปัจจัยขอยงแต่ละคนแต่บางคนไม่อย่างนั้นนะมุ่งเลยเนี่ยปฏิบัติไปอีก ปฏิบัติอย่างเดิมนั่นแหละดูขันห้าต่อไปพอจิตมีกำลังอีกมันตัดสินครั้งที่สองนี่เป็นพระสะกีทาคามีปุ้คนแล้วทีนี้เกิดีชาติเดียวเท่านั้นเนี่ยบรรลุเป็นพรอหลานแน่นอนเลยลาสังโย์ได้เท่าเดิมคือสามอย่างละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิชาความลังเลยสงสัยได้ละศีลปัตตปา마ฏได้ แล้วก็โรคโกรธลงเบาบางลงไปทีนี้ท่านก็จะเริ่มเห็นนะทีนี้เขามันต้องการเอาเอาอะไรมาบำเอรอลูบร่างกายของตัวเองเนี่ยเอารูบรดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมาเพื่อทำให้จิตมีความสุขผ่านทางร่างกายเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันก็อยากได้อร่อยอ่อยเพื่อทาให้จิตนี้มีความสุขมันก็เลยต้องการอยากเอาเข้ามา ทีนี้ไม่ถอยแล้วเนะนี่ยเห็นเห็นเห็นมันแล้วเนี่ยมันจะไปเอาเพื่อให้เกิดสุขเวทนาทางกายขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันก็จะเริ่มสอบสวนละทีนี้เอามาทําไมอาหารอันนี้เอามาทําไมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาทําไมเพื่ออะไรนี่นี่คือทําความเข้าใจภายนอกแล้วก็ตามดูแลจิตจิตของเรามันทําไมมีความอยากอะก็ในเมื่อเอามาเพื่อร่างกายทําไมมันต้องมีความอยากทีนี้ก็สอบสวนกันละทีนี้ พยายามแยกกายกับจิตให้ชัดเจนว่ากายนี่เป็นแค่อาศัยอยู่เฉยๆเนี่ยสิ่งภายนอกเนี่ยก็ามาเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มาปรุงแต่งให้มันเกิดความเกิดตัณหาขึ้นในจิตใจเกิดความหลงขึ้นในจิตใจนี่มันจะสอบสวนชัดขึ้นชัดขึ้นนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเวทนาชนิดไหนเกิดขึ้นกับร่างกายมันสอบสวนออกไปถึงพวกลูก ลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่จีว่าท่าว่าละตรงนี้ได้ก็คือละร่างกายได้สมบูรณ์เลยเวทนาที่จะมาให้ร่างกายมีความสุขเนี่ยมันชัดแจ้งขึ้นในจิตเลยเพราะนั้นผ้านาคามีท่านถึงละพวกรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสได้ถึงไม่ใ ย, ยดีในโลกเลยนะ แต่ถนึงละกามาราคาได้แล้วก็ละปฏิฆาได้แต่กามาราคาก็คือจะไปเอาไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาทําให้ตัวเองมีความสู้ทําไม่ได้แล้วก็เกิดปฏิฆาขึ้นมามันอยู่ด้วยกันเนี่ยพอเห็นถ้าปั๊บชัดเจนแล้วก็ละได้พร้อมกับเห็นว่าร่างกายเนี่ยกับจิตนี่ขาดอกอกจากกันเลยกลายเป็นกายจิตเป็นจิตแต่อาศัยกันอยู่ต้องรับผิดชอบกายต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาทุกข์เพราะร่างกาย ไม่มีแต่รักษาเยียวยาไปตามเหตุตาผลตามเหตุตามปัจจัยนี่พานาคามีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่เอาแล้วร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วไม่ดูไม่แลไม่ใช่นะก็มีปัญญาว่าต้องรับผิดชอบมันแต่เจ็บใครได้ป่วยก็ควรยาอะไรมีก็เอาไม่ควรรักษาก็ไม่รักษามันหายเองได้มันก็รู้รู้จักรู้จักร่างกายได้ดีขึ้น อันนี้ถ้าถาว่าตายไปก็รุ่นละ่ะไปอยู่ชั้นโภมชั้นสุทาวาไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะว่าไม่อยากได้รูปรถกลิ่นเสียงสมบัตอะไรแล้วเหลือแต่จิตแล้วที่นี่เรื่องของจิตนี่มันก็ยังต้องการความสุขนะไอ้จิตเนี่ยมันเคยดูลมเคยดูอากายดูรูปเนี่ยทําให้มีความสุขเนี่ยมันก็เอามาดูรูปที่นี่มาดูตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วสุขลงไปสุขลงไปอ่ แล้วก็ไปพักอยู่ในนั้นอโอ้สบายอยู่ในสมาธินี่นี่เขาเรียกว่าลูกระาคะแค่ว่าต้องการให้จิตมีความสุขโดยอาศัยลูกแล้วก็ไปติดอยู่ในนั้นเนี่ยที่จริงก็เป็นมันมันมันก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัตินี่แหละจิตมันยังพอใจอยู่มันก็เลยไปพักอยู่ในนั้นนตามขั้นตอนของจิตมันก็เลยเขาเลยเรียกว่าลูกระลาคะ บางคนก็เอรูปก็ไม่เอาละดูอากาศไม่มีประมาณอาคาสันอากาสาัาาสายยนัญจายตนะความว่างดูความว่างแล้วไม่เอารูปแล้วดูวิญญาณดูความไม่มีดูสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่ไปเรื่อยก็ยังมีความสุขก็ติดอยู่เหมือนกันไปติดอยู่ จิตมันไม่พักอยู่อ่ะมันไม่มันไม่มาดูไอ้ไอ้ไอขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็เลยเสียเวลาตรงเนี้แต่สุดท้ายก็ไปทันหมดเลยนะไม่ว่าจะพักอยู่ตรงไหนโอ๊ยพักไม่ได้อีกแล้วอย่างงี้เลยนะเราต้องเอามาดูขันห้าต่อเอาให้หมดงานหมดการสัทีหนึ่งเนี่ยจิตมันก็จะรู้ด้วยข่าวนี้มันไม่ถอยอ่ะดูจิตไปเรื่อย ตาดูจิตแก้จิตไปอธิบายเหตุผลให้จิตฟังเนี่ยที่ยังอธิบายให้จิตฟังเนี่ยนี่แหละเขาเรียกอุทัจฉะมันยังทํางานอยู่่ะไม่ต้องการให้จิตเนี่ยทํางานเลยก็ต้องอธิบายสอนจิตไปเนี่ยเรียกว่าท่านยังมีอุทัจฉะกามราคะลูปราคะอาลูปราคะแล้วยังมีอุทัจฉะมานะบางทีก็เออ ยอมรับเธออันนั้นเขาดีกว่าเราบางทีก็ไม่สบายใจเหมือนกันเราด้วยกว่าเขาเนี่ยยังเปรียบเทียบอยู่อย่างเนี้ยแต่เอาของจริงนะไม่เหมือนปุถุชนทั่วไปนะปุถุชนทั่วไปคิดขึ้นมากูัว่าเขาดีกว่าเรานี่ก็เป็นทุกข์แล้วแต่พระรีบบุคคลพระนาคามีเนี่ยท่านเอาของจริงแล้ว อ, อันนี้เรายังด้อยกว่าเขาเนนี้เนี่ยคือเอาของจริงมาเปรียบเทียบแต่มันยังมีตัวตนออกไปอยู่มันทําให้ทุกข์ได้อยู่ อาเียกมานะักาปฏิบัติม่หยุดยั้ยงนีประหารกิเลสครั้งสุดท้ายนี่เป็นพอ่อลานมียานรู้ขึ้นมาว่าชาติสิ้นแล้ว เ, เห็นเห็นไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้รู้เลยโอ้ยแล้วก็หมดงานการหมดงานแล้วท่านถึงว่าออขีณาชาติชาติสิ้นแล้วผู้สิทังพลัมเฉลย่ยังอุมาจันจบแล้วกตังกลนียังเนี่ย การงานหมดแล้วอิจตายะอิตอื่นที่ต้องทําอย่างเนี้ยนาปรังอิจตายะที่ต้องทําอย่างเนี้ยไม่ต้องทําอีกต่อไปแล้วมันเฉยอยู่ในจิตอ่ะมันเหมือนไม่มีจิตอีกต่อไปแล้วจะว่าวางกายวางจิตก็ได้ทิ้งกายทิ้งจิตก็ได้ไม่มีกายไม่มีจิตก็ได้มีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือน ม, ม, ม, ม, มีโอ๊ยไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นภาษาพูดสําหรับภาว ะ, าวะจิตใจที่มันหลุดพ้นแล้ว เฉพาะตัวของท่านเองพูดไปมันก็มีสิ่งลองรับอยู่ท่านพูดได้แต่คนอื่นมาพูดเนี่ยมันไปไปยึงคาพูดของคนอื่นมันก็ดูว่ามันมันพูดแล้วมันก็ไม่มีอะไรลองรับแต่ผู้ที่ท่านหมดสิ้นกิเลสแล้วท่านท่านพูดแล้วท่านมีสภาวะภายในจิตลองรับจะพูดออกมาคำไหนประโยคไหนท่านก็พูดออกมาจากจิตที่มันหลุดพ้นแล้ว มีเป็นทางของพระพุทธเจ้าก็เป็นทางของพวกเราด้วยที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือมีสตินั่นแหละรักษาจิตของเราให้รู้เท่าทันจิตของเราไม่ให้มันก่อเกิดเป็นตัวเป็น ต, น, ตนขึ้นมาเมื่อมันสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีตัวตนอีกต่อไปก็คือเป็นเหมือนธรรมชาติทั้งหมดเม่ยมันก็จะจบในจิตของเราเองนะ เสร็จแล้วจะไปปรุงแต่งอันนั้นอันนี้มันก็ไม่อยากไปปรุงแต่งนะควรทำก็ทำไปทำไปแล้วก็จบไปทำไปแล้วก็จบไปนี้เรื่องราวมันเลยไม่ไม่มีปัญหานะจะไปทะเลาว่าแว้งคนนั้นคนนี้ไม่เอาคือมันจบไปจบไปแล้วควรทำยังไงก็ทำไปทำแล้วก็จบไปมันจบภายในจิตจริงว่าโอ้ท้าว่ามันจะหมดทุกหมดปัญหาจริงๆเนี่ยมันต้องเดินตามทางของพระเจ้าจริงๆนะอีกกอ ในฐานะที่เราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้มาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทางอันเดียวกันกันกบที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติมานั่นแหละแล้วพระองค์ก็ประทานคำสอนเอาไว้ที่คำสอนนี้มากมายก็เพื่อให้เหมาะสมกับจริตนิสัยนั่นแหละแต่เวลาธรรมะมันเกิดขึ้นในจิตใจเป็นอันเดียวกันหมดไม่แตกต่างกันเรทีนี้จะให้นงปฏิบัติสักรยะหนึ่งนะ โดยไม่มีเสียงพูดเที่ยงตื่นดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้าย น, นะให้ตั้งสติขึ้นมาดูว่าจิตเราอยู่ยังไงนะเราทําอะไรอยู่ให้เราให้รู้ตัวดูว่าเราทําอะไรจิตเราเป็นยังไงสติเราดีขึ้นมาไหมจิตเราอยู่กับตัวเองได้นานขึ้นไหมเนี่ยเป็นสมาธิแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ย มันตามดูได้ไหมมันดูมันเห็นแล้วก็วางเฉยได้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายของมันแล้ยว่ามีสติมีปัญญาขึ้นมาต่อมามันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นจิตแน่วแน่อยู่กับจิตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเกิดเองดับเองนะมันนี่ผลต่อจิตเนี่ยจิตแน่วแน่อ ย, อยู่อย่างนั้นนี่เรียก ว, ว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างนี้ ตัเห็นเนี่มันเห็นเห็นด้วยจิตเนี่ยว่าเครื่องคืนทั้งอยู่ดับไปอยู่ของมันอย่างนั้นมีในว่าจิตมีสัมาธิฏินะสมาธิฏิต้องเห็นด้วยจิตด้วนะโลกุตระสมาธิฏิทำประหานกิเลได้หรือเรียกว่าวิปัสนาสมาธิฏิเห็นชัดเจนขึ้นมาในจิตสติก็เป็นสัมมาสติสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาวายมะ ความเพียรความคิดความดำริมันดำริอยากจะเป็นอิสระนะในเวลามันเป็นมรรคขึ้นมาสมาสังกปาเนี่ยอยากเป็นอิสระไม่อยากยมีอารมณ์ไรครอบงำไม่อยากมีตัวตนมีตัวตนแมบบ้หนึ่งก็ทุกมีน้ำหนักขึ้นในจิตเป็นอวิชชาทันทีเลยนะเนี่ ย, ยจิตของเราเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเป็นทางออกจากทุกข์ได้จริงๆ ให้เราตั้งใจว่าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคอยข้าวเจ้าเป็นผู้มีสติปรรัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวัฏฏลุงสารด้วยเธอแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญด้วยวันนี้พอแค่นี้นะน พระนมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราระโตซึ่งเป็นผู้ใกลชากิเลสสมมาสังคุตตสัมกระสือโชกไกลโดยพระองค์เอง